ท่นฟังคะท่านอยู่ในช่วงเวลาของรายการ ส, าสัสนิษฐานนะคะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนถ้าท่านฟังเอฟเอ็มร้อยหวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติทุกวันจันทร์ทุกวันศุกร mm ์ hmm. mm hmm. ก็จะได้พบดิฉันมากราบเรียนถามท่านพภบูลนี่แหละนะคะแล mm ้วก็ต่อไปนี้เราก็มานำมาส ก, การท่านเพิบูลด้วยกันค่ะ mm hmm. นำมาส ก, การกันนะคะเด mm ือนฟานค่ะเราก็มาพบกันอีกวันหนึ่งแล้ว mm hmm. กับรายการนี้ เปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวัจนะค่ะคงจะรบ ก, กวนท่านให้ขึ้นต้นด้วยการเฉลิมฉลองปีพุทธชยันตีทำความรู้จักพระพุทค์ของเราให้มากขึ้นค่ะเรียพาก็จะพูดถึงช่วงนี้เราจะพูดถึงเรื่องของการบำเพ็ญอดีตชาติของบ พ, พระเจ้า ค, นะคือเรื่องนี้เป็นเรื่องที่พระองค์ตรัสเองด้วยว่าพระองค์เคยเกิดเป็นอะไรเป็นอะไรไปทาอะไรอะไรมาอย่างเงี้ย ซึ่งเป็นส่วนที่พระเจ้าตรัสเองจะมีอยู่2ส่วนตรงนี้เราจะคนรจะทําความเข้าใจให้ถูกเหมือนกันจะมีส่วนที่อยู่ในชาดกอัตถคถาพวกนี้ก็จะเป็นใคล้ยๆกับคื อ, คอไม่ได้มีหลักฐานที่แน่ชัดนะว่าพระเจ้าได้ตรัสเองหรือไม่แล้วจะมีส่วนที่อยู่ในพระสูตรที่นอกจากชาดกที่พระเจ้าบอกว่าได้ไดตรัสเองตัวเองเป็นอะไรมีคนสอบถามมีคนเป็นบทสนทนา ท, ที่ยืนยันได้แน่ชัดว่าเป็นพุทธวจนะจริงๆ มีครั้งหนึ่งนะที่เคยเกิดเป็นเท้ามหาพรหมแล้วก็เป็นสกตะเทวราชพวกนี้ก็เกิดเป็นเทวดามาหมดแล้วนะเป็นเท้ามหาพรหมที่ครองความเป็นใหญ่ยิ่งตลอดอทั่วชั้นพรหมนะคือพระชจ้าเคยบอกนี้ว่าตัวพระองค์เองเนี่ยบำเพ็ญบารมีด้วยการเจริญความ เ, าเจริญเมตตาเจริญเมตตาชุดนั่งสมาธิมีเมตตาเดินขึ้นไปปฏิบัติอะไมีเมตตาตลอดเป็นเวลา7ปีไม่หยุดเลยติดต่อกันเลยนะ นอน <Okay. S 1> คุณก็มีเมตตาคุณไม่มีพักเลยแล้เป็นเวลาเจปีเนี่ยทให้พระองค์เนี่ยไปเกิดเป็นพรหมเป็นพรหมเนี่ย <Okay. S 1> เกิดเป็นพรหมเนี่ยคือเกิดเป็นพรหมในบนวิมานอันว่างเปล่าตรงนี้หลายคนอาจจะไม่เข้าใจว่าหมายความว่ายอย่างไรก็ <Okay. S 1> าจะอธิบายให้ฟังว่าคือเทวดาเนี่ยเขาก็จะนับกันตามศักตามบุญตามบา ร, รมททีที่เกิดใช่ไหมทีนี้ <Okay. S 1> ถามว่าคนที่ไปเกิดก่อนเนี่ยจะเป็นคนที่มีบา ร, รมีมากคือเป็นคนที่ครอบครองหมดพราะพุทธเจ้าเนี่ยไปเกิดก่อนเลย เป็นไปเกิดเป็นพรหมก่อนคนอื่นที่จะไปค่อยๆเกิดเป็นพรหมตามซึ่งสมัยถัดจากนั้นเนี่ยเป็นสมัยที่เขาเรียกว่าชั้นพรหมนี่ก็ไม่มีเหลือเพราะว่าถูกไฟเผาไปใช่ไมพอมีการปรากฏขึ้นของภพพรหมขึ้นมาอีกเนี่ยผูช้ชาก็ไปเกิดเป็นเป็นคนแรกนะทำให้มีความความมีอำนาจใหญ่ยิ่งเหนือกว่าพรหมอื่นๆนะที่มาเกิดตามพระองค์มานั้นด้วยเนื้ออันนี้สงของการเฉิยเมตตา <Okay. S 2> นอกจากนี้ยังเคยเกิดเป็นเท้าส ก, กัดเทวราชนะเท้าส ก, กัดเทวราชคือใครก็คือเทวดาผู้ที่เป็นหัวหน้าอยู่ในชั้นดาวดึงเทวดาก็จะมีหลายชั้นมีชั้นหนึ่งชื่อว่าชั้นดาวดึงมีหัวหน้าชื่อว่าเท้าส ก, กัดเทวราชเป็นตําแหน่งตําแหน่งหนึ่งเหมือนกันมันยังกับเป็นพระราชาเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็ตําแหน่งนี้เขาเรียกว่าเท้าส ก, กัดเทวรัตนเป็นพระอินตัวเขียวๆที่เราอาจจะเคยเห็นกันอยู่ แล้วก็เ ค, เคยเกิดเป็นพวกนี้เราก็เคยบอกว่าไม่มีพบไหนอะไที่ไม่เคยไปเกิดในตลอดสังสารวัตที่ผ่านมาคือในสังสารวัตรเนี่ยไม่เคยมีพบไหนที่ไม่ไปเกิดเลยยกเว้นสุทธาวาสพรมแสดงว่าสัตว์นรกก็เคยไปเกิดนะ <c oughs> สัตว์เดรัจฉานก็เคยไปเกิดนะเป็นมแมลงนกหนูปูปีกอะไรไปเกิดมีหมดจนถึงเทวดาทุกชั้นพรมทุกชั้นนะสัตว์เดรัจฉานทุกประเภทสัตว์นรกทุกแบบโปร่งเคยผ่านมาหมดแล้ว ไม่มี <Okay. S 1> ที่ไหนเลยที่จะเป็นทางดับทุกข์ได้ไม่เจอเข้ใ <Okay. S 1> จนหมจนะทั่งมาชาติสุดท้ายเพราะฉ <Okay. S 1> ะนั้นเรามีโอกาสที่เรียกว่าดีมากๆที่ว่าเร า, เ, าเรียกมารู้คำสอนของพุทธชาติแล้วนะ <Okay. S 1> แล้วถ้าถ้าเราสามารถที่จะคลายความทุกข์ให้หมดจากปัญหาะอะไรต่างๆในชีวิตได้จะเป็นการดีมากทีนี้ เรื่องอีกประเด็นหนึง่งคือมันเป็นวิสัยของพระรูปเจ้าที่จะไม่ต่างที่จะต่างกับสาวกทั่วๆไปในอย่างสมมุติ <Okay. S 1> ว่าสมาะพรพรูปเจ้าของเราสํมณะโคดมในทุกๆวันนี้นะเมื่อสมัย <Okay. S 1> ก่อนที่เคยเกิดมาจนกระทั่งไม่มีที่ที่ว่าไม่เคยไปเกิดมาแล้วเนี่ยนะเอะ๊แล้วไม่เคยเจอพระรูปเจ้าเลยเหรอนะโ <Okay. S 1> อื่นๆที่ผ่านมานะคำตอบก็คือเคยเจอแน่นอนนะเคยเกิดอยู่ในสมัยของพระรูปเจ้าอยู่หลายๆพระรูปเจ้าด้วยกันแล้วแต่ก็ไม่ได้บรรลุทำอะไรนะเพราะอะไรค <Okay. S 1> ุณโยมติวรู้ไหม เพราะว่าความที่ตั้งความปรารถนาไว้ในสมาสมัมพุทธิญาณเอง ค, คือจึงไม่ได้บรรลุเป็นโสตบันสกทธ า, า, าคามีนาครับหรือพระอริยะบุคคลขั้นใดขั้นหนึ่งในสมัยของพระรูชาองค์ก่อนๆแต่เพราะว่าต้องการทําเองอเพราะฉะนั้นในสมัยปัจจุบันนี้คุณโยมเต๋ออาจจะมีโพธิสัตวนะ์ที่ปรารถนาสมาสัมพุธิญาณมาเกิดอยู่ในสมัยนี้ก็ได้เขาไม่ปรารถนาว่าเขาจะเป็นอริยะบุคคลไม่ปรารถนาว่าจะไปนิพพานฉันปรารถนาความเป็นสมาสัมพุทธะก็มีนะ ค่ะคือเป็นการตั้งปรารถนาของพระพุทธองค์เองใช่ก็จึงทําให้ไม่ต้องแวะไปเป็นอย่างอื่นเลย<笑><笑>ก็จึงทำให้ต้องแวะไปเป็นอย่างอื่นมากมายออ๋ ค, คือไม่สามารถเป็นอริยบุคคลได้นะอ๋ออ๋อเดี๋ยวฉันนึกว่าความว่าแวะในที่นี้ของที่ฉันหมายถึงแวะไปเป็นอริยบุคคลในระดับอื่นอ่าไม่มีไม่มีไม่มีนะคะไม่ต้องไปเป็นไต่บันไดขึ้นขั้นโสดาบานขั้นแรกมา ก, ก่อนใช่ แล้วก็จะสังเกตได้ว่าผู้ชาติก็ไม่ได้เคยพูดถึงว่าความที่พระองค์ไปเป็นสัตว์นรกอะไรต่างๆนี่นะแต่อธิบายได้อย่างขนลุกพองกันแสดงว่าก็มีรายเอยียตรงนี้นี่แหละค่ะและนี่ก็เป็นการที่รายการสัมมนาสนทนาโดยท่านเพบูรณ์นะคะเฉลิมฉลองพุทธชยันตีได้เล่าถึงความเป็นมาของพระพุทธองค์ของเราว่าทรงเกิดมาแล้วหมดทุกที่นั่นแหละก่อนที่จะมาเป็นพระพุทธเจ้า ถูกไหมคะใช่นะคะทีนี้มาถึงเรื่องของคำถามดิมฉันเองก็เห็นมีผู้ที่ถามคำถามท่านมานะคะเนี่ยใช่คะ่ะขออนุญาตที่จะเลื่อนเปิ น, นิดนึงพระจำเป็นต้องให้พรคารวะหลังจากที่คารวาดตักบาตรแล้วหรือไม่มสมัยตอนเด็กตักบาตรแล้วก็ยกมือไหว้พระพระก็เดินจากไปแต่เดี๋ยวนี้ พระจะให้พรเป็นภาษาไทยพระบังรูปจะกล่าวภาษาบาลี oh. ความรู้สึกของผู้ที่ถามเนี่ย น, นะคะก็บอกว่าขอบคุณที่พระท่านให้โอกาสเราที่มีส่วนบำรุงพระพุทธศาสนาแต่พอพระให้พรเป็นบาลีแต่พอพระให้พรหรือกล่าวบาลีรู้สึกกระอักกระอ่วนจะบอกพระท่านว่าไม่ต้องได้ไหม <laughs> แล้วก็ถามว่าจริงๆแล้วในพุทธวจะนะ เขียนอย่างไรคนถามชื่อคุณอินนะคะอืมเออก็ตอบให้ฟังนี้ได้ว่าเรื่องการให้พรเอาเอาทีละเรื่องก่อนนะสําหรับภิกษุผู้ที่จะไปในบ้านเพื่อไปบินาบาบข้อปฏิบัติของการไปบินาบาบมีอยู่แล้วนะคือการไปเป็นลําดับนะไปโดยไม่ช้าไม่เร็วเกินไปไปในระหว่างเวลาที่ถูกต้องอย่างเงี้ยนะแล้วกเเนนนนเนน็เป็นผู้มีเสียงอันน้อยอันนี้เป็นก้อนหนึ่งเป็นผู้มีเสียงอันน้อยอันที่สองก็ไม่กล่าวธรรมโดยการยืน ข้อปฏิบัติอันแรกที่พูดมีเสียงอน้อยในการเข้าบ้านนี้ก็เป็นอันหนึ่งนะอันที่2ก็คือว่าโดยปกติแล้วภิกษุเนี่ยไม่ควรจะกล่าวธรรมด้วยอิริบทยืนนะอันนี้แต่อันที่ยืนกล่าวธรรมเนี่ยไม่ได้เป็นอาบัติเป็นข้อที่เราควรพึงทําการศึกษานะถทักษ า, าจารย์ก็บอกว่าอันนี้ควรจะปรับอาบัติทุกกฎตแต่โดยพระพรูปเจนะพระรชาก็ไม่ได้ปรับอาบัติในข้อนี้ <Okay. S 1> ทีนี้อันนี้คือข้อปฏิบัติอันที่1ข้อที่2แล้วประสงค์เนี่ย ให้พรได้ไหมเธอต้องเข้าใจให้ถูกก่อนว่าการให้พรเนี่ยจริงๆหมายถึงอะไรหมายถึงการอนุโมทนาพนะพุทธเจ้าให้ภิกษุอนุโมทนาได้ในเวลาไหนในเวลาฉันอาหารจะก่อนจะหลังได้ทั้งนั้นนจะโดยทั้งหมดรวมกันหรือองค์เดียวะจะเป็นหัวแถวจะเป็นใต้แถวได้ทั้งนั้นนะนี่คือข้อปฏิบัติในการอนุโมทนาเ <Okay. S 1> นะพราะนั้นภิกษุอนุโมทนาได้หรือจะไม่อนุโมทนาก็ได้แต่ให้พรนี้ไม่มีคือมันไม่ใช่ว่าสิ่งที่เธอจะให้ เราจะพระสงฆ์จะไปให้อะไรนะคือเธอให้ทานนั่นแนละเธอได้บุญแล้วจบนะถามว่าถ้าเธอต้องการคอนเฟิร์มเมชั่นต้องการความยืนยันใช่ไหมฉันอนุโมทนาให้เธอได้แคนี้เองอท่านคะงั้นดิฉันเลยสงสัยเลยว่าพระจะอนุโมทนากับสิ่งที่เราได้ใส่บาตรไปเนี่ยการอนุโมทนาหรือว่าการกล่าวอนุโมทนาเป็นอย่างไรคะเออก็เป็นการอนุโมทนา ย, ยืนยัน ว่าเออทานที่ให้แล้วมีผลนะบุญที่ทําแล้วย่อมเป็นไปเพื่ออายุความสุขวันลนะแล้วก็สวรรคนะ์พเธอระมาณบอกว่าถ้าจะพูดให้พูดแค่นี้เหรอค ะ, อะประมาณนี้ประมาณนี้ในแนวนี้เพราะพระพิสุที่ อ, อนุวัฒนาเวล า, ว า, วล า, ว า, ารับประทานอย่างเงี้ยก็จะบอกว่าเปรียบเหมือนกับสายน้ําที่เทลงไปก็ย่อมไหลลงไปสู่ที่ต่ำก็เปรียบเหมือนบุญที่เราทําแล้วก็ย่อมได้ผลลักษณะนี้ และนี่คือการอนุโมทนาคุณคุณยมติวนึกออกหมรเราร อ, อนุโมทนาหมายถึงว่าที่พระสวดนะแปลว่าอย่างนั้นเหรอใช่ใช่บุญที่ทำแล้วยอมเป็นไปเพื่ออายุวันนาสุขภพละนะก็ยืนยันแค่นี้เป็นบางส่วนที่เป็นพุทธเจนาก็จะมีอยู่อ๋อกิที่ท่านสวดบาลีที่พวกเราได้ยินนะ่ะแปลแล้วแปลตามนี้ใช่เคยตรัสไว้กับเขาเรียกว่าใครอ่ะที่ที่เอาอาหารมาถวายผู้เช่ามือสุดท้าย ในจุนทะก็มาสิครับอ่าใช่ในจุนทะพรชเจาตรัสไว้อย่างนี้บอกว่าบุญย่อมเจริญงอกงามแก่ทายกผู้ให้อยู่ผู้ให้อยู่เวนย่อมไม่สืบต่อแก่บุคคลผู้ระงับเวรเสียได้คนฉลาดเท่านั้นละบาปเสียได้แล้วก็ปรินิพานพระความสิ้นไปแห่งราคะโทสะและโมหะตรงนี้ก็เป็นบทอนุโมทนาได้ยืนยันเลยว่าคุณทาบุญได้บุญคือดูเหมือนกับว่าท่านไม่ได้อนุโมทนา ตรงๆนะคะคือให้ธรรมะด้วยกว้างๆใช่ต่ถ้าพูดเป็นบาลีมันจะฟังขลังหน่อยไหมอืมค่ะนะคะเพรดังนั้นเนี่ยอ่าสิ่งที่คุณอินรู้สึกก็เป็นความรู้สึกของคุณอินแต่ว่าอเป็นความรู้สึกที่เมื่อมาถามแล้วก็ได้เป็นความรู้อืมว่าจริงๆแล้วเนี่ยพระนี่ไม่ให้ส่งเสียงดังในขณะที่ในบ้านนะคะแล้วก็ไม่ไม่ให้ยืนกล่าวทำกล่าวทม ยิ่งกล่าวทําอย่างไรก็ตามก็ไม่ใช่เป็นอาบัติที่ที่ว่าจะต้องหนักหนาอะไรคือไม่ได้เป็นอาบัติด้วยซ้ําเป็นข้อควรปฏิบัติค่ะคื อ, เ, อเป็นความไม่ควรว่าองั้นเถอะถูกไหมคะควรศึกษาว่าไม่ยินกล่าวทําอันนี้พุทธวจนะอแล้วก็อถ้าเรื่องของพอรให้ทําความเข้าใจว่าพรไม่ใช่ว่าให้อะไรมากกว่ากุศลที่เขาทำเอาคุณก็ได้อยู่แล้วค่ะเพราะนั้นปเป็นของได้แล้วที่พระธรรมคืออะไรคือแค่อ น, นุมโมทนา อืมนะคะและดิฉันผ่านไปเนี่ยเห็นคุณอินกําลังใส่บาตอยู่ดิฉันอนุโมทนาคุณอินได้ไหมคะได้เพราะเดี๋ยวนี้เขานิยมกันมากเลยค่ะใครทําบุญเราอนุโมทนาคือการอนุโมทนาเนี่ยจะพระอนุโมทนาหรือคระว่าอนุโมทนาคือสมมุติถวายเอามาขอแม่พระใช่ไหมค่ ะ, ะคุณหวังบุญใช่ไหมคือเพรา ะ, ะว่าคนคนเนี่ยเขาหวังบุญไงคุณโยมติว๋วเขาหวังบุญเขาต้องไปทํางานทํากับเนื้อนาบุญอันนี้เป็นคําถามที่ ที่สุดฮิตเลยว่าทำไมต้องต้องทําบุญกับพระทําไมต้องเอาของเอาอะไรไปให้พระพระทําไมไม่ทําอะไรก็พระเป็นเนื้อนาบุญใจมาคุณต้องหวังบุญใช่ไหมคุณคุณ อ, อย่าคุณจะคุณจะหวานข้าวเนี่ยคุณไปหวานในงนาดีก่อนคุณจะทํา ค, <ะ>คุณจะทําให้สิ่งของเพื่อหวังบุญเนี่ยคุณก็ให้กับเนื้อนาบุญงั้นพอให้กับเนื้อนาบุญก็ต้องการที่ว่ า, างั้นยืนยันหน่อยสิว่าได้บุญจริงไหมเราก็จะเอาผ<ะ>ู้รวัจนามาอธิบายให้ฟังว่าเป็นงานนาได้บุญนะคะ่ะแล้วถ้าสมมุติว่ามีความรู้แบบนี้แล้วเจอพระภิกษุ ระหว่างที่เราไปใส่บาตทําอะไรที่นอกเหนือจากนี้ไปกราบเรียนท่านได้ไหมคะว่าท่านท่านผูท้ทวจ่จนะไม่ได้แบบนี้นะก็ท <c oughs> ่านอยู่ในที่ที่เหมาะสมที่จะพูดคุยกันได้ทำความเข้าใจกันได้ก็สามารถทําได้คือหมายความว่าในระหว่างบินปปบาบจะไปพูดคุยอะไรมันก็เขาจะยากนิดหนึ่งนะคุณยมติวค่ะ <c oughs> <c oughs> คือทีฉันก็ถามไปอย่างนั้นนะคะแต่ว่าไอ้ส่วนจะทําไม่ทําดิแค่ไม่เกี่ยวนะคะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ถามเป็นความรู้เผื่อว่าท่านจะอสงสัย แต่เช่นว่าขณะที่ใส่บาทถ้าเป็นดิชันนะคะดิฉันจะตั้งใจตั้งใจมีสมาธิจดจอกก่อเรื่องการทำทานของดิฉันอย่างเดียวถูกต้องท่านจะพูดอะไรจะว่ายังไงไม่ไม่เป็นไรเราแค่ระลึกถึงบุญทานที่เราทำไว้แล้วก็ตั้งใจในการที่จะแผ่ส่วนกุศลนี้ออกไปจะเป็นการดีมากๆเลยค่ะ เพราะว่าถ้าเราไปทําอะไรมากกว่านั้นอันนี้ความคิดของดิฉันนะคะออืก็คือเดี๋ยวบุญที่จะได้รับอา น, นิี้สงที่จะได้รับมันอาจจะกระชอกออกไปบ้างไม่เต็มจมูกเนื่องจากว่าจิตที่ไหลไปนั่นนี่โน่นออนี่ก็ดูเหมือนกับว่าเป็นเรื่องพื้นพื้นงั้นไหนๆท่านก็ได้ตอบคําถามคุณอินเรื่องเกี่ยวกับการใส่บาตแล้วเนี่ยจะมีอะไรที่จะให้ความรู้เพิ่มเติมเพื่อให้การ ใส่บาตรของคนบางคนนี่ไม่ได้ทําได้บ่อยๆนะคะท่านเพราะว่าโอ้โหเขาจะต้องตั้งท่ามากเลยเขาคุณเคยแล้วก็จะได้ใส่บาตรกันทีนี่ได้กุศลแรงเต็มที่สมกับที่ทุ่งเทค่ะก็เมื่อสักครู่พูดถึงเนื้อนาบุญนะว่าคุณจะเนื้อนาบุญแล้วมันก็จะได้บุญมากทีนี้พู้เจ้าเคยพูดถึงรายละเอียดตรงนี้ไว้อีกด้วยว่าถ้าให้ด้วยมือตนอันนี้ก็จะดีขึ้นมาอีกให้ด้วยของอันประณีตอันนี้ก็จะดีขึ้นมาอีกให้ด้วยความมีศรัทธา อันนี้จะดีขึ้นไปอีกนะศรัทธานี่ทั้งก่อนให้ก็มีศรัทธาหลังระหว่างให้ก็มีศรัทธาในการน้อมไปการให้หลังให้แล้วก็มีศรัทธาแล้วก็ทําด้วยจิตที่เป็นกุศลแล้วก็นะทรัพย์ที่เราหามาทํามาได้นะเป็นทรัพย์ที่ได้มาโดยสุจริตนะมีความเพียรเป็นเครื่องลุกขึ้นร่วมด้วยกําลังแขนอย่างนี้ดีมากๆรายละเอียดเพิ่มเติ ม, ต, มตรงนี้ค่ะให้ด้วยมือกับทําด้วยมือเนี่ยดิฉันเห็นแต่ท่านใช้คําว่าให้ด้วยมือ ของประณีตให้ด้วยศรัทธาจิตเป็นกุศลทรัพย์ทีท่สุดจริตบางคนนี่เขามีความเชื่อท่านคะว่าการไปซื้อของใ ส, ส่บาทเนี่ยอืมมันสู้กับการที่ท <ำ S 2> ล ง, งมือทําเองไม่ได้หรื อ, อว่าบอกให้แม่บ้านทําไม่ได้ก็อยู่ที่ว่าเวลาที่เรามีศรัทธาสมมุติเราทําไปด้วยเราด่าลูกไปด้วยอันนี้จะจะไม่เวิร์กถ้าเราทําไปด้วยเรานึกถึงว่าเออเรา ท, ทาําตามนี้อันนี้ได้แน่นอนอันนี้เต็มที่แน่นอนนะคะก็เนี่ยค่ะเป็น ประโยชน์นะคะที่เช้าเชเนี้ยอาจจะมีท่านใดกําลังจะออกไปใส่บาตรก็จะได้เอาไปประกอบกับ ก, บการที่เราใส่บาตรใส่บาตรมานะคะว่ า, าถูกต้องที น, นี้มันมีนิดนิดนึงตรงนี้ว่าสมมุติว่าถ้าสมมติคุณจะไปใส่บาตรเนี่ยแล้วคุณซื้อของมาใส่บาตรนะคุณอย่าไปมีสิทธิก์กุศลว่าอุย้ทยทานของฉันจะทําให้ฉันบุญ น, น้อยลงไม่ใช่ถ้าเรามีศรัทธาตลอดเวลา มสมมตินคนทำเนี่ยในช่วงที่เขาทำอาหารครึ่งชั่วโมงเนี่ยเขามีราศรัตลอดในขณะเดียวกันถ้าคุณมีสรัทธาอยู่ตลอดคุณไม่ได้ทําอาหารก็ได้เหมือนกันอให้มีจิตเป็นกุศลอย่างนี้นะคะอเอาเทคนิคพวกนี้ไปใช่ล่ะและสําหรับวันนี้เวลาพอดีพอดีแล้วล่ะคะ่ะงานมหกร ร, กรขอบพระคุณท่านเพริบุญเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะกล <ะ S 1> ับงานมหกรรมรคะ่ะท่านผั้ฟังคะนั่นคือพระเพริบุญจากวัดป่าดอนหายโศอุดรธานีคะ่ะ และดิฉันสันนินฐาพง์กับรายการสัสนิสนทนายังยืนยันที่จะแจกหนังสือชุดพุดทธวจนะให้กับท่านอยู่อีกเช่นเคยนะคะโดยมีท่านเจ้าอาวาสวัดที่ท่านมาร์คอยู่คือท่านคือคกฤิโสโทิปโลวันนรนภพงศ์รำลูกาคลองสิได้มอบให้ท่านฝังทั้งหลายวลาลา3ท่านท่านหนึ่งเล่ม022690006ค่ะและเบอร์นี้022690006ท่านก็ส่งคาถามมาได้ หรือว่าจะส่งไปที่ท่านไพบูล p e e t h a m a com slash ไปที่นั่นก็จะมีทําให้ท่านศึกษาในหลากหลายรูปแบบเลยนะคะทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษด้วยค่ะวันนี้เราลากัรไปเป็นทช่นนี้ก่อนนะคะติดตามรับฟังรายการพรุ่งนี้กันได้ใหม่ที่ครอบครัวข่าวนี่ละคะพุทธ ว, วัสดีค่ะ